ข้อความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลมประพธิญาในวันนี้ก็คงพูดเรื่องกรรมสกตาสมาชิในส่วนของกุศลและกรรมซึ่งหมายความว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยเมื่อมีการนำเสนอฝ่ายกุศลออกมาเราก็มองฝ่ายตรงกันข้ามได้ หมายความมาเมื่อปฏิเสธตัวเหตุก็คือปฏิเสธตัวผลแสดงว่าอณิสงทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังธรรมไม่จเจริญไม่ตาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างขตดแต่การนำเสนอที่จริงเราก็มองเฉพาะด้านใดด้านห น, น, นึ่งก็พอนะอรับเพราะในภาคปฏิบัติเนี่ยที่จริงเราอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง มันทำนองคล้ยๆกับมีทางสองทางกับทางสองแพร่งเราไปซ้ายเราก็ไม่ได้ไปขวาไปขวาเราก็ไม่ได้ไปซ้ายเพราะทะถ้าหากว่าเราประพฤติสุดจริตแล้วเนี่ยโทษของทุตจริตมันไม่เกิดเราประพฤติทุจริตไอ้คุณก็สุดจริตมันไม่เกิดทีนี้ถ้าจะดูล่ะมันก็คือตรงกันข้ามในที่นี้เป็นการแสดงโดยสรุป แล้วก็ปรากฏในที่ต่างๆมากแล้วก็ใช้ภาษาในะใช้บุหานะี่มาทางแห่งนรกบ้างทางแห่งสวรรค์บ้างนะมันเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองสายคือสายกุศลกับสายกุศลกุศลก็คือฉลาดนะฮะไกุศลก็คือโง่อะหมายความว่าสายหนึ่งก็คือแสงสว่างสายหนึ่งก็คือมืดสายหนึ่งก็คือปัญญาสายหนึ่งก็คืออวิชชา เมื่อก็โลกมันเป็นทวิภาวะกลางคืนกลางวันอ่ะกลางคืนก็ไม่กลางวันกลางวันก็ไม่กลางคืนเรอต้องการจะทําอะไรให้ได้ในตอนกลางวันมันก็ต้องอาศัยแสงสว่างไม่ใช่ทําอะไรให้ได้ในกลางคืนมันก็ต้องอาศัยแสงสว่างจะสร้างแสงสว่างขึ้นอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันเนี่ยพจน์ในสุจริตเนี่ยคําว่าสุจริตแปลว่าประพฤติดีประพฤติแล้วงามประพฤติง่ายมันตรงไปตรงมานะแต่แปลกคนก็ไม่ชอบ ไม่ชอบประพฤติแก่เป็นสุจริตพระเจ้าทรงเน้นที่ตอนแสดงแก่พระเจ้าสุโธธนะออกมาว่าไพเราะนะมันกระชับยังไงเจบกุจงประพฤติรมให้สุจริตอย่าประพฤติรมให้เป็นทุจริตสรุปเลยเต็งใช้คาว่าจงนะคหมายความมาเป็นการกระตุ้นเตือนอย่างแรงด้วยค่อนข้างแรง และกรอกวัตถุมาสจจุจริตทุจริตตัวนี้ยมันกระจายออกไปเป็ น, น, นเอเนกนันเลยสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยสุจริตก็มาจากวิชาทุจริตก็มาจากกวิชาส่วนจะสว่างขนาดไหนเมื่อขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึงแต่สุจริตที่ถือว่าเป็นหลักใหญ่แล้วก็ส่งแสดงเขาเรียกว่าแสดงมากอ่ะถ้าเรานับจํานวนครั้งเนี่ยมันเยอะมาก นั่นก็คือสุดจริตระดับที่เรียกว่าสุดจริตทางตรทวารหรือว่ากุศลกรรมบทสิทประการคำว่ากุศลกรรมบทเนี่ยเป็นแปลว่าทางดําเนินของคนฉลาดหรือการดาเนินอย่างฉลาดโดยตามปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญแต่ขาดหลักที่จะเอาชนะใจตนเอง แต่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบทางดำเนินให้แก่ชีวิตตนเองผลิกนี้ทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญเราลองสังเกตนะะว่าปัญหาในบ้านในเมืองเนีน่ยถ้าเรามองย้อนไปย้อนไปไกลเท่าไรก็ได้นะะเราจะมีปัญหาอย่างนี้มาตลอด ปัญหาเรื่องความไม่รู้ปัญหาเรื่องความยากไร้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาดการวางแผนครอบครัวแล้วถ้าเรามองศาสนาพราศาสาศานาเนี่ยการบัญญัติศีลเรื่องการเมตสุมิชาจาร์ก็ดีเอาศีลขนาดอภ ร, รมภิจริยาก็ดีมันเป็นการคุมที่ความกำหนัดคือไม่คนมากๆในกามเกินไป เห็นไหมเป็นการวางแผนครอบครัวอยู่ในตัวเลยแต่ว่าเราไปไปจุนจ้านไปก้าวไายขนาดไปวุ่นวายในบ้านเขาเนี่ก็ไม่ได้มันก็สอนธรรมะหรือบัญญัติขึ้นมาเป็นรูปศีลทีนี้ถ้าหากว่าคนที่รักษาศีลข้กามเมย์เนี่ยแล้วเกิดว่ามีผู้เดียวเมียเดียวขึ้นมาก็ยิ่งควบคุมคุมกําเนิดไว้ใหญ่เลย แลยังไงก็ลูกก็ไม่มากเพราะปัญญาคนเดียวแต่ที่มันยุ่งๆเนี่ยคือว่าสามีคนเดียวจะปัญญาเยอะเลยก็ลูกก็มากและในสุดมันก็นําไปสู่ปัญหาสังครอบครัวปัญหาการนสาิสัยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมก็ตามอะไรเป็นแถวแล้วถ้าเราสาวไปสู่รากง่าวจริงๆเนี่ยมันเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อยตลอด ปัญหาความไม่รู้ปัญหาความยากล่ายโรคภัยค่าเจ็บขาดการวางแผนครอบครัวถ้าเรามองจากมุมพระาศาสนาก็คือเราขาดความรู้อย่างเดียวมันมาจากโง่อย่างเดียวคือต้องจะแก้ก็แก้ที่ตัวโง่เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าจะสอนในลักษณะที่เราเห็นในเช่นมงคลสูตรเนี่ยเราสังเกตว่าตัวสามข้อสี่ข้อเนี่ย จริงก็สามข้อให้ได้แต่ก่อนนะครับเป็นหลักปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้ยืนหยัดอยู่ได้โดยตัวเองสูงช้าคาบาลีสั้นๆบูสัจยันยศิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาติตาจายาวาจาเอตมังกัลมุตะมังจบละแต่ในส่วนตัวเองเนี่ยคือหนึ่งจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ระดับที่เรียกว่าเป็นภวสูตรเลยภวสูตรก็เป็นหัวใจประหลาดศึกษาเรื่องเดียวแต่ว่า มองลึกซึ้งลงไปแล้วก็ผ่านมิติต่างๆจนเกิดความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของเรื่องดอกนั้นมีความชัดเจนในแง่เป็นคุณเป็นโทษมีความชัดเจนในแง่ที่จะปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะสิ่งนั้นจะเป็นโทษอยู่โดย ส, ส, ส, สภาพของมันนะคล้ายๆกับพิษงูเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโทษโดยสภาพของมันแต่คนฉลาด ก, ก็เอามาทําเซรุ่มดักผ่านกระบวนการต่างๆขึ้นมาแล้วมาแก้พิษงูนั่นแหละ ก็ามาแก้ได้นั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีปัญญาเข้าไปเนี่ยแต่สิ่งนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเนะ่ยแต่เราจะหาประโยชน์ได้แต่แนวพวกอารมณ์กรรมาฐานทั้งหลายต่างๆเนี่ยเราลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้สิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นผมคนแล้วฟันหนังนยังเห็เป็นครูเนี่ยเป็นครูอย่างสําคัญในการศึกษา ในการปฏิบัติของคนเราเพื่อถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในการมคุณทั้งหลายลงไปดังนั้นในกรณีตรงนี้ถ้าหากว่าเรามองให้เกิดความเข้าใจเรียนว่าถ้าเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ก็ให้เป็นความรู้เอารู้ในขณะศิลปะในการ ประกอบอาชีพคือศาสตร์ในการครองชีวิตศาสตร์ในการประกอบอาชีพแล้วต่อไปก็ศิละปะคือเอาความจานานเฉพาะด้านก็ให้แตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง, ง, ง, งเราอาจจะเรียนมาเยอะแต่เราเก่งสักอย่างสองอย่างเนี่ยเอาเก่งทักอย่างให้ได้ก่อนก็กลายเป็นฉลาดในศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต่อไปก็จะอยู่ในระเบียบนในกฎเกณฑ์ในการควบคุมตัวเองควบคุมพฤติกรรมตัวเอง ยังมองถึงปัญหาต่างๆที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันนะ่ะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเยอะเนี่ยที่น่าห่วงก็คือว่าคนเหล่านั้นผ่านยังไม่ได้ผ่านการฝึกปลืออบรมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆเห็นหมาแพ้ไม่เป็นฮนะเลอตั้งแพ้แล้วก็ก่อกวนก่อการเจราจนบุ่งวายปันป่นป่วนกันหมดเลยแล้วคนเหล่านั้นที่ถูกดึงมาก็จ้างวานมาบ้างยุวยโกรธบ้างฮนะ แล้ก็มุ่งหวังผลประโยชน์ต่างๆม้างมันก็กลายเป็นปัญหาอี้ตัวเนี้ยถ้าเราเอาความรู้เอาเหตุผลเอาสติปัญญาเข้าไปมันก็ไปแก้ทะลุทะลวงไปหมดเลยแก้ปัญหาเรื่องความยากไร้เพราะรเพราะเรามีวิชาวความรู้เรามีศิละปะในการเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโรคภยัยคัเจ็ด แล้วก็มีวิชาความรู้ที่จะดูแลรักษาสุขภาพภรรยาไม้ตัวเองนะปรึกษาหมอให้หมอสรวจได้่มันก็มีวิธีการมีวิธีการและการครอบครัวก็ควรจะมีลูกสัตย์เท่าไรจึงสามารถเลี้ยงลูกได้ดีนะไม่เกิดเป็นปัญหาแก่ลูกไม่สร้างมารดกบ่ไปแก่ลูกไม่ใช่ว่าตัวเองสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ไปมีลูกเป็นผูงกมาอย่างนี้ก็แย่แล้วไปสร้างปัญหาแก่เด็ก สร้างปัญหาแก่ตัวเองด้วยสร้างปัญหาแก่เด็กด้วยนะทั้งสุขภาพภรรยาไม่ความจเจริญเติบโ ต, ตในร่างกายทางจิตวิญญาณทางการศึกษาทางสังคมทางอารมณ์มันมมันรวมหมดเลยมาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากปัญหาคือไม่รู้พอเราพลิกด้านรู้ขึ้นมาเนี่ยผลนี้ก็กลายเป็นไม่มีปัญหาคือลดปัญหาลงไปทีนี้ ป, นปัญหาเรื่องสุจริตทุจริตมันก็คือลักษณะอย่างนั้นนหละ ว่ามันมีทางเดินในชีวิตของมนุษย์เขาเรียกพูดเดินเนี่ยว่าสุขโตคือดําเนินไปดีทางไปสุดจุดหมายปรายทางเขาก็คือสุคติคือาตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้พวกหนึ่งมันเป็นทุกขโตคือเดินไปชั่วเดินไปแล้วก็สร้างปัญหาสารพัดเลยจุดหมายปรายทางเขาในะอย่างช้านะฮะตายไปตกนรกก็ถือว่าช้านะที่จริงก็ตกนรกก่อนแล้วเพราะแนวสุจริตทุจริตเนี่ย ผู้เจ้าจึงทรงสอนเป็นกรณิยะที่ควรแก่การประพฤติกระทำและก็ลักษณะเน้นย้ำกันนี่ก็คือตัวกรรมที่ชัดเจนนะที่พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราคิดเอาแล้วทําความเข้าใจแล้วก็เลือกปฏิบัติเราเองเพราะคนเรามีกรรมเป็นของนันตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกครทากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลกับนั้นแล้ก็จริงเรายังไม่ได้ทํา ไม่ทำก็เลือกทำไจะจะเลือกเอาอะไรล่ะฉันก็เน้นไปที่เลือกประพฤติกระทำในเรื่องที่เป็นสุดจริตสุดจริตก็คือประพฤติดีประพฤติเรื่องงามประพฤติง่ายตรงไปตรงมาตรงตัวนะไม่ต้องมีเล่ยมีเหลี่ยมโกงอะไรคือไม่ต้องอย่างนั้นมันเหมือนกับพูดความจริงกับพูดเท็จเนี่ยพูดยากต่าง ก, กันเยอะเลยนะ แต่แน่นอนในรายละเอียดมันอยู่ที่ใครพูดแต่ว่าโดยพื้นฐานของสามัญชนเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าการพูดเท็จเนี่ยมันจะต้องอาศัยเอเงื่อนไขข้อมูลต่างๆเข้ามาปลอมปลอมแปลงในกระบวนตรงนั้นนหะมันมีอีกมากเลยแต่ว่าหยุดอ่อนในสังคมอย่างหนึ่งกัน คือสังคมเวแล้วนี้เวลาเนี้มันอยู่ในยุคที่กระแสกระแสสร้างนะสร้างกระแสแล้วก็สื่อเหมือนกับเทพเจ้านะเ ป, นเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากเลยคว่างสื่อเมื่อก็หวัางเทพเจ้าเหมือนประกาศสิทธิ์จากสวงสวรรค์คล้ายๆกับสื่อนี่ก็พูดถูกหมดเลยนะเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างวันก่อนที่พูดถึงอะไรอะ่ะโปกสายเดียวเข้าไปในรัฐสภาทั้งสิบแปดคนเนี่ยแล้วก็ว่ามีพนักงานเสิร์ฟอยู่แค่สองคนแล้วก็ไม่สายเดียวอะไร แล้ว่าคนไม่เชื่อรล้อันนี้คือคือจุดที่มีปัญหาที่สุดว่าทำไมไปมองคนเหล่านั้นเป็นเทพยายาเจ้ย า, ยามันเป็นอาชีพอ ย, ายา่างหนึ่งแล้วไม่ได้มีวุฒธธิภาวะวิเศษวิโสอะไรนักหนามันมีถูกๆปิดๆเหมือนกับสามัญชนทั่วไปเนี่ยเราฟังในฐานะเป็นข่าวได้ไหยล่ะไม่ใช่ฟังเป็นข้อมูลที่มากพอต่อการวินิจฉัยตัดสินจะลองสังเกตว่าแม้แต่ว่า บทความทางวิชาการแต่ไปยึดโยงอยู่กับบุคคลนะเช่นบทความทางการเมืองเนี่ยอลองสังเกตนะมันจะมีอคติอเยอะๆลองไปอ่านดูบทความทางเศรษฐกิจมันจะมีอคติอยู่บทความทางสังคมบทความที่วิชาการลว้วนๆเนี่ยส่วนมากไม่เค่อยมีปัญหาเนะ่ยคื อ, อย้ายมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าใจมนุษย์มันไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่แต่นั้นสุจริตเนี่ยก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมจุดต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็คือว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมตัวเองได้แต่น้อยที่สุดนี่ก็ยกระดับเรืแบบการกระพฤติการกระทําของตัวเองคือเอาขนาดไม่สร้างปัญหา ยังไงพอไม่สร้างปัญหาเนี่ยเราเริ่มต่างจากสัตว์แล้วเพราะสัตว์มันสร้างปัญหาเยอะแกอา จ, จะรู้หรือไม่รู้นะแกคงไม่รู้เราก่าสร้างปัญหาเนี่ยแต่จริงแกก็สร้างปัญหาเยอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองกันโดยโดยโดยผลว่านี่คือดุลของธรรมชาติคือกฎกฎของธรรมชาติเป็นกฎของป่าเป็นกฎของป่าสมมติว่างูกับหนูเองไงนนะงูกับหนูเนี่ยงูมันก็มีพิษอนะ แต่ที่จริงเราระมัดระวังง่ายกว่าแตหนูไปกัเข้าในนาเนี่ยระวัดระวังยากเพราะถ้ามนุษย์ยอมรับในความดุลของธรรมชาติความสมดุลของธรรมชาติพ่าเป็นเรื่องของบทกฎของธรรมชาติเขาก็ต่อเข้าไปเราก็ระมัดระวังแล้วกันอย่าให้เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาคือไม่ไปถึงก็ไปทํำลายกฎของธรรมชาติพอทําลายกฎของธรรมชาติเนี่ยสมมติว่า เราจะไปอะไรล่ะไปไปทําลายงูจับงูมาขายจับงูมาฆ่าหมดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่ามันจะมีสัตว์พวกหนึ่งที่เป็นอาหารงูเนี่ยมันจะมาทําลายทรัพยากรธรรมชาติมันก็กลายเป็นปัญหาแล้วเรื่องอยือ่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านจึงอยู่ในรูปเรืออุเบกขาคือเราไปทําอะไรมันไม่ได้ไปป้องกันแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วก็ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเราที่ทรงแสดงอย่านงนี้นนทำมันเจรลญสุจริตตั้งหน้านางรู้เจิตั้งเจริญกลนประพฤติทำให้เป็นสุจริตยาประพฤติทำให้เป็นทุจริตก็จะหลักตรงนี้เอาไว้ แล้วก็สุจริตมันไม่อื่นไปจากเรื่องที่เราคุ้นๆนะแต่ว่าเป็นปัญหาทาวรไม่รู้จะว่ายังไงปัญหาซ้ำซากนะเราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นนะ่ะจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะตัวคนทําแล้วเวลาที่ทําสถานที่ทำตอนั้นแต่ว่าเจตนาในการทําไม่เคยเปลี่ยนมันเจตนามาจากโลภะโทสะโมหะ ป, ประกอบมาเป็นสุจริตเจตนาประกอบโดยโลภะโทสะโมหะก็เป็นสุจริตมันอยู่ที่จิตใครเท่านั้นเอง แต่าการที่ออกมาเนี่ยมีผลในการสร้างสารรค์ทําลายเนี่ยก็ตามสมควรแก่กุศลนกุศลหรือสุจริตทุจริตที่บุคคลเรานั่กนกระทําลงไปเพราะาคนที่ตระหนักในเรื่องของสุจริตมันต้องเชื่อมั่นในกฎของกรรมแล้วก็ทําให้รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองในแง่ของสังคมในแง่ของอารมณ์ในแง่ของสังสารวัฏด้วยในแง่ของพัฒนาการทางจิตปัญญาขมนุษย์ เราจรเว่าสุจริตทุจริตเนี่ยมันมันส่งส่งเสริมเราหรือว่าทำลายเราคนบางคนนี่เจะเญืกล้ามหน้ามาดีๆอย่างข่าวคราวบางครั้งบางคราวคนใหญ่คนโตนี่มันครั้งพลาดอกลก้มบุลกลกุล ก, ลกไปเนี่ยเราก็นึกเสียดาย แ, แสดงให้เห็นดังว่าเป็นการพ่แพ้แกอ่อารมณ์อารมณ์ที่จริงก็คงจะเกิดก ข, ขึ้นภายในเรานะฮะถ้าหากว่า เราคุมอารมณ์ภายในเราได้เนี่ยมันมีกระตุ้นมาจากข้างนอกมันก็เป็นเรื่องเอาเขาก็ปล่อยก็ไปแต่แสดงถึงความอ่อนแอภายในเรียกว่าภูมิกัณฑ์อารมณ์ต่ําก็ได้ลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันมีตัวเร่งมาจากข้างนอกแต่เราก็ใช้ปัญญาพิจารณามองเห็นโทษขอโทษก็การกระ ท, ทําเช่นนั้นคุณต้องการไม่กระ ท, ทําเช่นนั้น แล้ควบคู่มาการกายวจารใจอีกอ่ะมันก็เรื่องกายวจารใจแนวกุศลกับโมบุตเนี่ยจึงเป็นแนวหลักแล้วก็ในพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยอย่างในสังคารูปรปฏิสูตรในอเมริกาเนี่ยทรงแสดงธรรมะชุดเดียวเท่นี้อย่างสิบข้อแต่นั้นเดียแต่เจาะลึกลงไปเรื่อยๆประนีดลงไปเรื่อยจนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานคนระเป็นพระอรหันต์ไปเลยโดยใช้ธรรมะแค่สิบข้อแต่ถ้าเราเห็นว่าธรรมะสิบข้อตรงนี้ที่จริงก็คือก็คือ อันนี้มักไปองแปโดยปริยายหนึ่งคือโดยการแสดงโดยปริยายหนึ่งเพียงแต่สะท้อนใ้เห็นในเชิงของศีลกับในเชิงของธรรมะแต่เอาระดับควบคุมอารมณ์ซะก่อนหมายความควบคุมความคิดอ่ควบคุมระดับความคิดที่เป็นรมารางกับปะค่ะความเห็นที่เป็นรมาธิแล้วก็เจาะลึกในรายละเอียดลงไปเร่ จนถึงจุดหนึ่งก็หมดกิเลสก็จบนะครับจบเหมือนกันนั่นคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้ตายงดเว้นจากการเถือสิ่งของที่จะาของก็ไปให้างดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีเห็นไหมธรรมดามากแต่ธรรมดาที่ไม่จะธรรมดาเพราะว่าโลกมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด ถ้าเรามองดูให้ดีว่าปัญหายากรรมทั้งหลายนี่มันไม่มีอะไรอื่นไปจากการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ษยายในทางเพศแล้วก็โกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีก่อหากันแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้แต่ในกุศลกําบทเนี่ยไม่เอาสุรามาไว้ในที่นี้นะสุรามันจะอยู่ที่อบายยมุคคือเป็นทางของความเสื่อม เพียงแต่ว่าพัฒนาความเห็นของมนุษย์ให้เป็นสมาชิติคือมีปัญญาที่เห็นชอบมีปัญญาที่เห็นชอบร้องคุมตัวเองเราวิ่งเข้าไปชนมันทำไมอะสุราไปอยู่ไกลกับเราจังไหนๆเราก็ไม่วิ่งเข้าไปหามั น, มนก็จบเห็นไหมมันก็พัฒนาที่จิตสํานึกโดยไม่จําเป็นจะต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบปฏิบัติอะไรหรอกมันอยู่ที่จิตสํานึกเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็คุมในเรื่องของทุจริต ท, ท, ทางวาจา เป็นการพูดระดับงดเว้นก่อนนะงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเแต่ไรเรื่องใหญ่เมื่อเรางดเว้นจากการพูดคำเท็จก็ต้องพูดคำสัตย์คำจริงตามประสาสัมผัสของเราเห็นมาอย่างไงพูดไปอย่างนั้นได้ยินมาอย่างไงพูดไปอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงพูดไปอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงพูดไปอย่างนั้นไม่เสริมความแล้วก็ไม่อ้อมความไม่สอดเสียดคือไม่ยุโยงให้เกิดความแตกแยก การดูยงให้เกิดความแตกแยกนั้นอาจจะเกิดจากโลภะอาจจะเกิดจากวิหิงสาอาจจะเกิดจากฤษยาอาจจะเกิดจากโกรธก็ไม่รู้อะคือทําได้ทั้งนั้นการดูวห้เกิดความแตกแยกเนี่ทําได้ทั้งนั้นบางทีเป็นคนอปกติคือคนไม่ปกติก็อชอบดูคนทะเลาะวิวาดกันกระซิบกรนทีกระซิบกรนนทีก็นนออยุให้แยกแตกแยกกันเราลองดูสื่อทั้งหลายเนี่ย คือถ้าเราฟังจากปากข่าวเนี่ยแล้วเราไปอ่านหนังสือพิมพ์นุ่คนละเรื่องเดียวกันเลยเเออนะักข่าวเนี่ยเขาก็เก่งนะฮะยุ่งไอ้คนแเราๆกันและคนคนที่ฟังก็โง่เองไงนะะท่านพูดนั้นว่าอย่า ง, ง, ง, งนะั้นอย่างนั้นเนี่ยท่านจะว่ายังไงว่าเลยว่าไปเลยไม่ได้รู้ว่าเขาว่าจริงหรือเปล่าอันนี้คือจุดอ่อนจุดบกคล่องของมนุษย์มันจะทําให้เขายุ่งเกิดความแตกแยกได้เรื่สูดก็พูดกันไปพูดกันมาทําไปทํามาเอา เราเราไม่ได้ประพฤติอย่างนั้นไม่ได้กระทําอย่างนั้นไม่เคยพูดไม่เคยรู้เรื่องเลยทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยมีลักษณะเจ้าคิดเจ้าแค้นนะนะฮะไม่พยายามที่จะสอบถามไม่พยายามสอบถามกันเพราะนุ้นท้าคนมันทะเลาะ ก, กันบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดใหม่พูดในลักษณะส่งเสริมสามคัคคีประสานสามคัคคีกระชับสามคัคคีนะคนในโลกมันก็มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มหก็คือไม่รู้จักกันเราก็แนะนํามไม่รู้จักกันกลุ่มที่สองเนี่ยรู้จักกันจนถึงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีความแตกแยกกันเราก็พูดประสาน อ, อ, อีกจุดหนึ่งเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วเราก็พูดกระชับให้เกิดสามาัคคีมากที่ึ้นเด่นไหมความรู้สึกเราดีต่อเขาและการพูดของเราเนี่ยเราได้ประพฤติสุจริตประพฤติปฏิบัสุจริตแต่ว่าผลประโยชน์ตัวตรงเนี่ยได้แก่คนเรานั่น ดีทําถามว่าทําอย่างนี้แล้วได้อะไรคือได้ประพฤติธรรมที่เป็นสุดจริตแต่งดเว้นคําหยาบคําหยาบคายร้ายกาศต่างๆเนะี่ยคําดุดา่าคํากล่าวหาใส่ร้ายแต่คําหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะพูดยากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเจตนาหยาบคือใจเราต้องหยาบจึงถือว่าหยาบแต่เจตนาไม่หยาบเนี่ยเขาไม่ถือว่าหยาบ คือบางทีระดุด่าตำหนิอะไรแต่ไหนมันก็ภาษามันก็หยาบไปนะโดยใจไม่หยาบก็มาพูดค่อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็สาระประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่คืองดเว้นจากการพูดวาจาที่มันไร้าสาระประโยชน์แต่คนชอบนะก็พูดยากเหมือนกันสังคมนี่เขาชอบคำที่ไร้าสาระประโยชน์ทั้งหลายเนี่ย วันคนหลอกลวงบนร่โถนต่างๆจึงตึงหากินได้ตลอดมันไม่มีความเป็นไปได้มันไร้สาระมันไม่มีเหตุผลอะไรแต่ว่าจิตใจที่อ่อนแอมันจะขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เลือกเฟ้นในสิ่งที่เป็นธรรประโยชน์เพราะนี่ก็คือสุดจิตทางกายกับทางวาจาและเจนว่ามันเป็นอาการเฉยๆจริงๆมันสะท้อนมาจากจิตที่ตั้งไวชอบท่าันเอง ท่าฟังทั้งหลายแต่ราปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ข้อความจะเริยนมอกงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี